พระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเกิดในประเทศอันสมบูรณ์เนเจ้าภาพ เจ้าภาพแจกใบไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็อาราธนาพระปริศแล้วก็สมมันตานะให้พวกเราพูดพร้อมๆกันพอหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานพี่น้องชาวอินโดนีเซียนเป็นร้อยเป็นพันนะเขาอาราธนาศีลพร้อมกัน มายังพันเตติสารเนนชหาปัญจศิลานิยาจามา mm. อาราธนาพระประลิษตเหมือนกัน mm. วิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสิทิยาสัพพทุขะวินาสายะปริตตังพรูทามังคาลังอาราธนาพ ผ, ผมมาจาโลกะ เขาเก่งนะอินโดนีเซียนะคนเป็นร้อยเป็นพันเขาพูดพร้อมกันแต่มาเมืองไทยห้องเราเนี่ยเมืองพระพุทธศาสนาแท้ๆเนี่ยพอหัวหน้าไม่มาคนเดียวเท่านั้นน่ะลูกน้องเดี๋ยวหากัารลกเล็กลูกเล็กเลยเพราะมันพูดไม่ได้ใช่ไหมนะเพราะไม่พูดพร้อมกันนะอันนั้นเขาพูดกันมันสอนกันในตัวเนี่ยเป็นการแนะนําสอนกันชั่วลูกชั่วหลาน พอพูดขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายพูดใดนการมดเอาอราธนาสินพร้อมกันเนี่ยก็เกิมายังพันเตติสารเนธสาหบัญญิศิลานิยจมานก็พร้อมกันใช่ไหมล่ะผู้หญิงผู้ชายเด็กเข้ามาใหม่มันก็เรียนได้ผู้ใหญ่เขาว่าอยา่างนี้ใช่ไหมมันก็จำได้ใช่ต่อไปก็ไปที่ไหนก็พูดพร้อมกันมันก็จำได้ อันนี้มีแต่หัวหน้านําเอานําเอ า, เอาพอหัวหน้าไม่มาคนเดียวเท่านั้นแหละ บ, บ้นนี้ลูกน้องมันก็จะโพูดยังไงพูดอะไรก็ไม่เป็นนี่แหละหลวงพ่อว่าพวกเราน่าจะาทําพิธีพร้อมๆกันใครเป็นหัวหน้าวันนี้ฮะเออไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตั้งน้ำโมนะหวาไหว้วพระเสร็จแล้วก็ไม่ยังพันเตเลยนะเอากราบ กกญญต่อไปตั้งใจสมาทานสิน่วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันทาบุญบ้านและก็พร้อมกันเจ้าภาพก็ จะทำบุญเนื่องในวันเกิดแต่ยังไม่ใช่วันเกิดนะเนื่องในวันเกิดนะพอวันเกิดจริงๆก็เป็นวันต่อไปอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยคนนั้นถือว่าคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานญานติโกโหติ ก, กาทั้งหลายได้มาร่วมมารวมกันเพื่อทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแต่ในช่วงนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ ที่อยู่ข้างในที่อยู่เป็นช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาเป็นช้างเท้าหลังเออช้างมันมีอยู่สี่ขาใช่ไหมละ่ะขาหน้ากับขาหลังขาหน้าก็คือฝ่ายพระสงฆ์ที่อยู่วงในของพระพุทธศาสนา อ, อ, อุบาสกอุบาสิกาก็คือเป็นช้าวเท้าเท้าหลังเป็นผู้สนับส น, นุนแต่ถ้าว่าช้างเท้าหน้าไม่ก้าว เ, เหมือนเขาช้างขาร่วน ชางขาหลังมันกระโดดยากเหมือนกันแต่ถ้าว่ามีแต่เช้า ข, า, ขาหน้าขาหลังไม่ให้การสนับสนุนช้างตอนน้องกันเดินยากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันขาหน้ากับขาหลังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในฐานะช้างเท้าหน้ามีอะไรจะได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานบอกว่าในพรรษาที่จะถึงเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่14นะ วันที่19เเป็นวันอาสารหบูชาวันที่20เป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราชสอัแต่ในพรรษาอันนี้เนี่ยเป็นพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าคือบริษัทในโลกนี่มีหลายบริษัทใช่ไหมล่ะบริษัทจำกัดบริษัทนั้นบริษัทนี้มีมากมายแต่พวกเราเนี่ยเข้าหุ้นบริษัทพุทธบริษัทจำกัดน พวกเราในเข้าหุ้นบริษัทพุทธะเนี่ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการที่จะเข้ามาสู่บริษัทพุทธะบริษัทหลวงพ่อว่าในพรรษาที่จะถึงเนี่ยมีจะเข้ามาพวกเราเข้ามาบริษัทแล้วก็ไม่ได้ทําตนให้เหมาะสมถูกต้องอมีแต่ว่าเป็นพุทธมีจะพุทธในทะเบียนบ้านท่านเอง พฤติาการกระทําของเราเนี่ยอย่างห่างเหินนะบางคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนอย่างห่างเหินคือบางคนก็ตั้งแต่นับถือพุทธศาสนาพ่อแม่นับถือพุทธศาสนามาไม่เคยไหว้พระกราบพระเลยก่อนหลับนอนไม่เคยไหว้พระที่ไหนเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกเพราะเราเป็นพุทธ บ, บริษัทก่อนนอนเราต้องไหว้พระกราบพุทธครั้งที่หนึ่งพุทธโทรกราบครั้งที่สองธรรมโม กราบครั้งที่สามสั ง, สงโคไม่ใช่กราบปลกปลุกสามครั้งเฉยๆนะกราบสาครั้งนะ่ไม่ใช่นะเรากราบมีความหมายว่ากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําแสงสว่างมาสู่โลกเรานับถือเลื่อมใสเพราะแนวปฏิปทานหรือ แ, แนวความคิดของท่านที่ท่านแนะนําสั่งสอน ให้เวเนยสัตว์และพุทธบริษัทเราอยอมรับว่าเป็นพระธรรมคําสอนออกมาจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราขอกราบพระพุทธเจ้าที่ต้นาศาสนาต้นาศานสนาเียว่าพุทโธพุทธทังและพุทโธธรรมโมก็คือพระธรรมคําสอนออกมาจากพระพุทธเจ้าที่ประกาศออกมา 84% 00มพระธรร ม, มขันมีศีลห้าอยู่ในนั้นด้วย มีธรรมอีกมากมายจึงว่าแปดพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมมากันพวกเราได้ศึกษาดูแล้วว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบออไม่มีที่ำํำหนิเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์จริงเพราะนั้นเราคือขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอกราบพระธระรมเรียกว่าธรรมโมแล้วก็สังโฆ ค, คือพระสงษ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นผู้จำแนกเป็นผู้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศพวกเราก็ไม่รู้พระธรรมกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมหมดจากคราวนั้นก็จบไป ไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับข้าพเจ้าอยู่สังโฆยี่ว่พุทโธความหมายว่าอย่างไงธรรมโมความหมายว่าอย่างไงสังโฆความหมายว่าอย่างไรจากนั้นครูบาอาจารย์ของหลงพ่อว่านิพพานัง คล้ายๆว่าข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานนิพพานังค่อแปลว่าขอให้พ้นจากทุกข์ก็ว่าใครทกขนี่ยใครๆไม่ต้องการอยู่แล้วนเพราะฉะนั้นให้พวกเราก่อนหลับนอนในพรรษาเนี่ยควรจะไหว้พระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพุทธโธธรรมโมสังโขนิพพานังค่ะนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราทุกๆท่านนะ ให้ไหวว่ว่ายพระกาบพระก่อนหลับนอนทุกครั้งตื่นนอนมาไหวพระก่อนในพรรานี้นะหลวงพ่ออยากให้มีสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานในจิตใจเอาไว้ทุกคนพอเราเป็นพุทธบริษัทแต่วันนี้พวกเรามาร่วมมารวมกันมาทาบุญทำบุญบ้านแล้วก็ทำบุญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะ อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศินท่าซะก่อนเป็นเบื้องแรกนะสินท่าของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระธรรมคําสอนเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระธรรมคําสอนคือศินท่านี่ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าเราไปคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราเราก็เป็นทุกขเขาก็เป็นทุกข้ขอที่สองเราอย่าไปคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขา เ, เขาขอเสียของเขาเสียหาย เ, าเขาก็ทุกข์ใจเมื่อเรามาขโมยของเรา <divor ces> เราก็ทุกข์ใจเหมือนกันเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขา เ, าเขาก็ทุกข์ใจเมื่อเขามาขโมยแพทพ่อแม่พี่น้องของเราเอาไปเรียกค่าไทยเราก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะนั่นการขโมยกันไม่เป็นผลดีทําให้โลกทั้งโลกทุกข์ใจทําให้เราเขาทุกข์ใจ ข้อที่สกาเมสุมิจฉยยาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาเออพอเป็นลูกเป็นหลานเป็นญ า, าติโกโหติกาของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่ส <c oughs> ข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงลวงโกหกเราละ่ะเขียนเช็คเด่งให้กับเปล่าละ่ะเอาตะกัวมาขายว่าเป็นทองคําย้อมมาสีเหลืองเอีอ่ยเทเลเมื่อเราได้ไปไม่เป็นของจริงเราเสียใจไหมถูกเขาหลอกลวงถูกเขาโกหกเราก็เสียใจในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจเพราะฉนั้นให้ใหสํารวมระวังให้เคารพสิทธิ์ซึ่ง ก, ากาันและกันนั่นแหะ ศินห้าของพระพุทธเจ้าน่ยพวกเราคิดดูใชอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดขโมยกันเออให้เคารพสิทธิ์สามีภรรยาลูกหลานของซึ่งกันและกันอย่ากโกหกต้มตุ้นหลอกลวงกันมันไกลจากพวกเราไหมเขาเราเขาเรานะเพราะฉะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลนะข้าพเจ้ทา้าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้เคารพพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วท้าวว่าผู้มีศินห้า อยู่ในตัวของเราอยู่ในสถานที่ใดชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุกถ้าว่าพวกเราขาดศีลและธรรมแล้วอยู่ด้วยกันนะมีแต่ความระแวงแคลงใจกันไว้ใจกันไม่ได้นั่นนะศีลห้าของพระพุทธเจ้าแต่ศีลข้อที่ห้านี่เป็นศีลคุ้มครองนะเหมือนกับลังคาโบสถ์ลังคาศาลาลังคาบ้านนะนะถ้าว่าไม่มีหลังคาจะอย่างเดียวนะนะั่ะ บ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่ได้โบดก็พังผูพังไปหมดเพราะแดดออกก่อร้อนฝนตกมาก็เปียกเสียหายของในบ้านเพราะอะไรเพราะบ้านไม่มีหลังคาอันนี้ก็เหมือนกันศินข้อที่ห้าในสินหลังคาโบสศ์สินหลังคาศาลาศินหลังคาบ้านทําไมผงพูดอย่างนั้นเพราะว่าศินห้าข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัย เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในเมื่อคนดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเลยมาเป็นเมาฮะเพราะมันเมาแล้วขาดสติพอขาดสติแล้วขาดความรับผิดชอบทุกอย่างเลเพราะหลายคนขาดสติเหมือนคนเป็นบ้าเยถ้าเราคนเป็นบ้านในถนนถคนเป็นบ้ามากๆนเลยคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จละลาะบละล้วงในสามีภรรยาของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติไนงะ ในเมื่อคนขาดเจตีละความทำความชั่วได้เสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนคนที่ดื่มชุราเออจะอยู่ในระดับไหนถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ก็หมดคุณค่าคนไร้ค่าไร้ประโยชน์ อ, อไร้ความนับเคารพนับถือเลื่อมใสเรพราะอะไรเพราะคนขาดเจตีเพราะคนเป็นบ้านะเพราะฉะนั้นพวกเราถึงจะเป็นบ้านิดหน่อยชั่วครั้งชั่วขณะก็ไม่น่าจะเป็นนะ ไม่น่าจะให้เป็นอย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าดื่มนะอย่าให้ขาดสติทําให้ขาดสติแลสติสมบูรณ์อยู่สม่ําเสมอนะนั่นแหละเป็นที่ยอมรับของคู่คนทุกระดับแตาว่าพวกเราขาดสติเช่ยชยอย่างเดียวนะั่นเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยบเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนก็เถอะถ้าขาดสติถ้าเป็นบ้าเสอย่างเดียวหมดคุณค่านะพระนัทศไทยญาติโยมลูกหลาน นี่แหละหลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าสินคอที่หเนี่ยเป็นสินหลังคาโบสหลังคาศาลาหลังคาบ้านพวกลูกหลานคณะจทา่ายเดี่ยวญาติโยมคิดดูสิจริงไหมถ้าคนขาดจิติแล้วมันเสียหายนะเพราะฉนั้น <c oughs> พวกเราสินห้าของพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราทุกๆคนนี่แหละเพราะฉนั้นขณะนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาถานสินต่อก่อนคูบายจานันเวลาเราจะรับสิล กูบาลอาจารย์ก็ให้สินไปเลยไม่มีองค์ไหนที่จะอธิบายอย่างหลวงพ่อให้อธิบายให้คณะสัตย า, าติโยมลูกหลานได้ฟังเจงไหมนะหลวงพ่อขอถามพวกเราอะที่หลวงพ่อพูดไปนี้เอาความจริงออกมาพูดให้กับเอามาให้ลูกหลานคณะสัตธาธิโธมได้ฟังได้ศึกษานะเจงไหมสินห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ตั้ง2559ันห้ารยห้ิปีเจงไหม หลวงพ่อว่าเป็นของจริงนะการนัทตาญาตโยม่อตอนนี้ไปหลวงพ่อเมื่อพวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเลนะเนปถติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาย เออพร้อมอนะไรอย่างโกูกหลานอ้าวโอ้อาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้แต่ถือยังไงลกูกหลานทุกคนนะ่ะ เ, เมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วทานอาหารทานอาหารร่วมกันซะก่อนเนอไม่ต้องรีบต้องด่วนวันนี้มาในมาถึงบ้านโยมสองตายายแล้ว เออต้องมากินข้าวกินน้ำร่วมกันซะก่อนอย่าค่อยกลับนะเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นมงคลแล้วก็จะมีการแจกเอ็มพีสามอีกนะนี่นะเออแล้วเพอเผยยังมีลูกอมแถมอีกต่างหากนะยังยังมีทอปฟีีอีกนะจะหวานทอปฟีอีฟรีอีกรอบนะเพราะนั้นไม่ต้องรีบ ได้มาทำบุญทั้งทีแล้วถ้ามันจะรวยก็คงจะรวยมาแต่นานแล้วล่ะนะและ้วกถ้ามันจะจนก็คงจะไม่จนวันนี้วันเดียวนะวันนี้มาทำบุญเราต้องเสียสละสักวันหนึ่งเพราะนั้นให้ลูกหลานคณะจัตาญาโจรวันนี้จะมาร่วมกันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล <c oughs> ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนพวกเรายังค่อยกลับนะ <c oughs> วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งอทางสองตายายยอมต่อยติง่งไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องเนะี่ยยมต้อยจนะไม่เนี่ยผมติ่งเนี่ยยอมติ่ ง, นะงพวกพวกเรามีแต่เรียกว่าต้อยติง่งไม่รู้ว่าท่านเปนสองพี่น้องใช่ไหมละ่ะอ อ, อันนี้ติ่งเป็นพี่ชายอ อันนี้ยมยมต้อยเนี่ยสงตายายพร้อมกับลูกๆได้มาเนี่ยทำกิจกรรมโหลงโมหินแห่งนี้ตั้งนมนานและก็พร้อมกันที่คนที่มาอยู่ที่เมืองอุดรเนี่ยถ้าไม่ยกหลวงตามหาบัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เราก็ไม่รู้จะยกยังไงฮ ะ, ะวันนั้นพราะเนั้นสองตายายพร้อมลูกๆห ล, ล, ลาน ก็ยกองหลวงตาเป็นปูเป็นทวดของพวกเราแล้วก็ยกหลวงพ่อเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็แหโต้งที่เป็นลูกชายก็ไปบวชกับหลวงพ่อพรรษาหนึ่งนะได้ศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพ่อเพราะนั้นวันนี้จึงมีวันนี้แล้วก็นเนี่ยท่านมาสร้างทำหลงโมก กิจกรรมอยู่ที่นี่แล้วก็มีบ้านอยู่ที่นี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันนี้เป็นวันที่14กร ก, กฎาคมพุทธศักราช2559ที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันเจ้าภาพได้เชิญพวกเราลูกหลานญาติธรรมทั้งหลายไดมาร่วมกันทาบุญขึ้นบ้านใหม่ ถ้่พร้อมกันก็เป็นวันเกิดของคุณโยมอเตี่ยของพวกเราเนี่แหละอ่าอายุ ฟ, ฟังๆดูอายุเท่ากันกันกนกนบหลวงพอนะ่อหเออปีเดียวกันบหลวงพ่ออีกต่างหากนะเอหลวงพ่อเนี่ยเกิดเดือนเมษายนท่านเนี่ยเกิดเดือนอกรกฎานะวันที่สิบเก้ากรกฎานะหลังหลวงพ่อหน่อยหนึ่งค่ะแต่อายุปีเดียวกันปีละกาเหมือนกันแปดแปดเหมือนกันนะ พระนั้นอาจะเข้าป่าเข้าไป72แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวัน เ, เป็นวันทําบุญทั้งบุญบ้านด้วยทั้งบุญวันเกิดด้วยเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลเพราะฉะนั้นถือว่ า, าพวกเราลูกหลานทั้งหลายมาร่วมกันวันในมือเช้านีนก่กดตักบาตรใส่บาตรก็รู้สึกว่าลดหลามามีลูกหลานมาร่วมกันทําบุญ เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่ออย่างนงพ่อได้พูดได้กล่าวช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจวนจะเข้าพรรษาวันที่19ก้ที่จะถึงนะี่เป็นวันอัสสราหะบูชาเป็นวันพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกนะวันอัสสราหา น, ะคนาคานตธาญาโยมคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะวันเดือนหกเพ็ญ น, นะอากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เสวยวิมุติสุขคือความสุขในการ ในที่แท่นในบนรรุตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพเนี่ยหลายอาทิตย์อยู่แต่ละแถง่งที่แต่เจ็ดวันเจ็ดวันอยู่ที่โคลต้นโพเจ็วันต้นไซเจ็วันต้นน้โครดเจ็ดวันสะมุจรินเจ็วันลักษณะอย่างนั้นอะ่ะเอออันนี้ก็คือพระ อ, องค์ได้สวยวิมุตติสุขจากนั้นพระ อ, องค์ก็เออเราได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย เป็นการทวนกระแสะโลกโลกทั้งหลายนะเขาคิดอีกมุมหนึ่งแต่ทำคำสอนของเราที่เราได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพินี่มันกลับไปทวนกระแสะโลกเราจะเอาทำไปสอนโลกได้ยังไงเนอเขาจะเชื่อฟังฮนะพระ อ, องค์ก็วิตกกังวลนะจากนั้นพระ อ, องค์ก็ถอดถอดใจไนงะถอยใจถ้าเราคงไปสอนเขาก็คงจะเมื่อยเหนื่อยฟรี เพราะว่าเขาคิดไปทางหนึ่งเราแนวความคิดของเราไปทางหนึ่งแกจากนั้นพรมพรมอยู่ชั้นพรมท่านเห็นความวิตกของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยท้อปไทยอไม่อยากจะสอนโลกจะแล้วถ้าว่าจิบภายแล้วถ้าพระองค์ไม่สอนพระพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้กับปรินิพานไปเลยเนี่ยพรมเลยลงมาจากชั้นพรม มาก่าป ร, รัฒนาพระพุทธเจ้าว่พผมมาจโลกาติปฏิสามปฏิเนะี่ยมบอกว่ามนุษย์ที่บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมามีโยผู้มีกิเลสเบาบางจังมีอยู่พระเจ้าข้าโปรดแสดงเมตตาแนะนำสั่งสอนพวกเหล่านั้นด้วยเถิดผู้ที่บัญญังหยาบยัง ปัญญาหรือว่าบรารบีของเขาอย่างอ่อนอยู่ก็มีพรหมก็เลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยเขาโคกเขาโคกขนวัวเขาเขาวัวกับขนวัวคนที่มันยังมากอยกกก็เหมือนกับขนวัวผู้ที่จะได้บรรลุธรรมกับมือก็เหมือนกับเขาวัวมีอยู่พระเจ้าข่าเนี่ยพระองค์ก็อื้งรับนะรั บ, เ, บ เ, เสร็จแล้วเน่ยพระองค์ก็มองเห็นมองซ้ายมองขวาเออเราจะไปโปรดใครก่อนหนะ้าเนี่ย พระ อ, องค์ก็เห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนะมิขทายวันจากนั้นพระ อ, องค์ก็เดินมาจาก น, น่ะโคนต้นโพน่มาถึงเมืองพาราณสีใช้เวลานานพอสมควรจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้แสดงธรรมเนี่ยวันวันที่19ที่จะถึงเนี่ยวันอัสาระบูชาเป็นการประกาศพระธรรมแสดงธรรมาจากกัปวัตนสูตร พระัญญาโกฏัญญะได้สําเร็จเป็นพระรหันเป็นท่านแรกจากนั้นจึงได้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งสําหรับพวกเราเนี่ยเป็นพระไตรสารณะอุบัติขึ้นในโลกนะคือพระหันอุบัติขึ้นในโลกพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นมาในโลกคือวันอสสรหะบูชาเนี่ยแหละวันอสสรหะวันอสสรหะความหมายว่ายังไงเป็นวันที่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าโปรด ปัญจวัคคีย์ทั้งหระปัญจวัคคีย์ทั้งห้งหได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่น่ะเป็นท่านแรกปรัญญาโกนธัญญาเนี่ยนี่แหละพระวันอสศรหาส่วนวันเข้าพรรษาอีกวันถัดไปเมื่อพระสงฆ์อยู่ด้วยกันนานในพรรษาสามเดือนควรจะมีการอยู่เป็นหลักแหล่งไม่ควรจะเที่ยวเตะเพราะว่าเที่ยวทุ่งกัเอาหน้าแล้กกับพอแล้วล่ะ แต่หน้าฝนน่ยไปเที่ยวเหยียบคันไร่คันนาของเขาเหยียบไร่เหยียบพืชไล่ของเขาเสียหายพาสงเยอะสมัยก่อนน่ะเป็นลูกเศรษฐีผลลูกกษัตริย์เป็นลูกเศษกก ร, รเเศษฐีดังนั้นเดินเข้าไปในไร่แตงที่เขาปลูกพืชพันธุ์ทานยอาหารก็ไม่รู้จักไม่จักรู้จักแยกแยะใช่ไหมล่ะไป <c oughs> เหยียบย่ําไปหมดจนปากข้าวปาลาอะไรเขาแหลกเหลวไปหมดพระองค์เลยบัญญัติวินยัย ให้ภิกษุจำพรรษาเนี่ยนะในพรรษาที่จะถึงนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกเออ ใ, ในพรรษสนิพะสง์จํพาพรรษาคณะัทาญาติโยมควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าควรจะไหวพระทุกวันควรจะรักษาสิ่งห้าดีไหมควรจะงดบุหรี่งดเหล้าในพรรษานะาแล้วกับสิ่งไหนที่มันไม่ดีในตัวของเราเราควรจะงดในจุดนั้น ให้เกิดประโยชน์จะดีไหมคือการบําเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะว่าเราเกิดมาในพพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบทำคําสอนของพุทธะแล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไรหาได้ยากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดตลอดไปไม่ใช่เกิดเป็นยุคเป็นสมัยเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาพบ อยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศที่ว่าปฏิรูประเทสวาโซจา่าปุเพจักกตะปุญยตาอัตตะสัมมาปณิทิอย่างประสงค์ได้สวดเมื่อกี้เนี่ยสวดนี่แหละนะเสวนาเจบาลานังเนีข้อหนึ่งในมงคล38นั้นว่าปฏิรูปรเทสวาโซจ่าปุเพจักกตะปุญยตาอัตตะสัมมาปณิทิจา่าเอตมังคารมุตตะมัง ที่พวกเราได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยความแปลความหมายว่าปฏิรูประเทสวาโซจะพวกเราเกิดมาในประเทศอันสมควรคือประเทศไทยนะได้เกิดในประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลว้วก็ดินฟ้าอากาศก็ไม่ฆ่าพวกเราหนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากพายุถึงจะมีก็ไม่ถึงกับอันตรายอย่างมากแผ่นดินก็ไม่ไหว ประเทศไทยพวกเราสังเกตดูเนี่ยอูนอาหารการบริโภคก็มีอยู่มีกินน้ำฝนตกถูกต้องตามฤะดูการถ้าว่าอย่างประเทศของเขาเนี่ยพวกเราได้เห็นในสื่อต่างๆเห็นทุกวันในสื่อเขาออกมาถ่ายให้พวกเราดูหัวโตๆท้องใหญ่ๆขาเรีบๆตัวดำๆนั่นแหละถ้าว่าเราไปเกิดในสถานชื่ออย่างนั้นล่ะแปลว่าหมดโอกาส ที่จะประกอบคุณงามความดีหมดโอกาสที่จะประกอบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเพราะเหตุไรเพราะเพียงจะหาใส่ปากท้องเท่านั้นก็ยังไม่ไหวเสีแล้วแต่นี้พวกเราไม่ได้วิตกกังวลอยู่ในประเทศไทยอาหารอุดมสมบูรณ์ถึงจะไม่มีเงินใช้ขาดเงินบ้างแต่ว่าอาหารอย่างอื่นสมบูรณ์เราเลี้ยงชีพด้วยด้วยความสุขนะอันนี้เราอะเราเกิดมาในประเทศที่ว่าปฏิรูปรเทศวาโซจัด อยู่ในประเทศที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่ได้เบียดเบียนเราเราก็มีความสุขตามอัตภาพนีอยู่ในในเกิดในประเทศไทยปฏิรูปรประเทศสวาสซิ์ส้อยอดุเพจากตะปุญนจะตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตชาตินะในอดีตชาติอย่างชาตินี้แหละพวกเรามาได้มาเกิดได้พบพว ก, พว ก, พว ก, พวกศาสนา ได้พบประธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาธุเนอผู้ฆ่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าจะได้ไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ในประเทศที่ว่ามั่งมีรีสุขพออยู่พอกินการปกครองข อ, ขอให้เป็นธรรมอยู่ด้วยกันจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในปฏีรูปประเทศประเทศที่ไม่อดอยากเป็นประเทศที่ทรรมชาติไม่เบียดเบียนแม่ลังแกข้าพเจ้า พอให้ข้าพเจ้าเกิดในสถานที่อย่างนั้นโดยเทิดเราตั้งความปรารถนาในอดีตชาติเนี่ยว่าปเุเพจักตะปุญญาตาเป็นบุพกรรมบุพกรรมเก่าที่พวกเราได้สั่งสมมาในอดีตมาเกิดในประเทศไทยแล้วมาถึงเมื่อมาเกิดในประเทศไทยแล้วทีนี้อัตตะสัมมาปเนธะเพื่อเมื่อเรามาเกิดในประเทศไทยอย่างนี้แล้ว อารมสมบูรณ์อย่างนี้แล้วพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบท้เลยลืมตัวเนี่ยพอมาเกิดขึ้นมาแล้วลืมตัวกินเหล้าเมายาสุลานารีพาชีกิลาบัตสิ่งไหนที่มันชั่วค้นออกมาใส่ตนเองเแปลว่าเราทําไม่ถูกจะแล้วแท้เนี่ยพอเรามาอยู่ในประเทศไทยเราทําตั้งตนไว้ไม่ถูกอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยตั้งตนไว้ไม่ชอบในเมื่อเราออกออกจากชาตินี้ไปทีเมื่อเราตั้งตนไว้ไม่ชอบ เมื่อเราออกจากชาตินี้ไปบางทีเราอาจจะไม่ได้มาเกิดในประเทศไทยได้เท่าไหร่เผลอๆอาจจะถลําไปเกิดพวกหัวใหญ่ๆท้องโตๆขาเรีบๆพวกนั้นอีกเท่าไร่เพราะกรรมกรรมคือการกระทําของเราเนี่ยทำกรรมไว้ไม่ดีกรรมไม่ดีจะส่งผลไปเกิดในที่กันดานไปเกิดในสถานที่ทุกข์ยากลําบากเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งตนไว้ชอบ เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาในพอบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราควรประกอบคุณงามความดีควรสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านพิสูจน์มาแล้วว่าตายแล้วไม่สู่น้คณะสัตย์ทาญาติโยมน้าพระพุทธเจ้าที่เป็นนั่งหยกโครนต้นโพน่ะวันเดือน6เพนอย่างที่ว่าน่ะพอนั่งตอนหัวค่ําในพระไตรปิฎกท่านอ่ะในพระไตรปิฎกในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พอนั่งเข้าไปจิตพระไทยใจของพงสงบพอจิตสงบลงเป็นหนึ่งเนะพระองค์ละลึกชาติผนหลังได้จัวัดปุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติผนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตยานใครเกิดมาเกิดมาในเมื่อในภพมาจากไหนมาเกิดจัวัดจุตูปปาตยานพอโจรสว่างเอาอาสาวกไกยาน ยานอย่างรู้ว่าพระ อ, องค์หมดจดจากกิเลสจะไม่มาเวียดไหว้ตายเกิดอีกแล้วเพราะว่าพระ อ, องค์กําจัดใจของพระ อ, องค์ด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วใจหลวงนี้บริสุทธิ์แล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว น, น, นี่แหละในวันเดือนหกเพจน พ, พุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมสมอย่างในคืนนั้ น, นย่ะคือตอนหัวค่ำเนาะปุบเพนิวาสานุตติยาน พอถึงเที่ยงคืนตุจูตูปะปาตยานพอพอจวนสว่างอยียอาสาวกยายานอันนี้คือลักธมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านตรัสไว้เนี่ยพระไตรปิฎกนะพวกเราได้ศึกษาจากนั้นบอกปุเพนิวาสานสสติยาน ล, ลึกชาติ์้นหลังได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบวงครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาเนี่ยนะ หลวงปู่ขาวก็ดีหลวงปู่ฟั้นก็ดีที่ท่านได้ภาวนาได้ปฏิบัติท่านว่าเออหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญไม่สูญจริงๆนะลูกหลานเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยไม่มีองค์ไหนนะที่เป็นสายหลวงปู่มั่นที่ท่านภาวนาท่านไม่ได้บอกว่าตายแล้วสูญมิตว่าตายแล้วเกิดแน่นอนถ้าอยากจะรู้ว่าตายว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญอย่าไปเดาอย่าไปคาดคะเนอย่าไปประมาณการ ให้นั่งภาวนานัในหลักคือหลักพิสูจน์ให้นั่งภาวน า, นนอน า, วนาพอนั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายบริกรรมพทุทโธนะพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุโทพโธพุโทโธพอนั่งภาวนาไปจิตใจสงบพอจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยพอจิตใจรวมสงบเท่านั้นะเราจะรู้แล้ว่า ร่างกายเป็นอันหนึ่งแต่จิตใจนีเป็นอันหนึ่งแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเมื <c oughs> ่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเหมือนกับรถนแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของโซูเฟอร์รถมากกว่ารถนะ แต่โลกท้งโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญรถมากกว่าโซเฟอร์นะแต่มันแปลกกันนะแต่พระพุทธเจ้าท่านว่ามาโนปุพังคัมมาธรรมามโนเสรามโนบายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่นให้ความสำคัญเรื่องของใจสรุปแล้วก็คือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็ว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้า สำเร็จแล้ว้ดยโซเฟอร์ถ้าหาว่ารถคนขึ้นขับรถคันนี้แล้วโซเฟอร์ไม่ดีนิสัยเกเรนิสัยเหมาเล่าบางทีขับรถคนนี้อาจจะไปชนต้นไม้ก็ได้ไปชู้ชนกู่ชนคนก็ได้ขับลงหน้าผาขับลงเหวก็ได้ เ, เพราะอหละเพราะโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมไม่มีศีลไม่มีธรรม เราอาจจะเบียดเบียนคนอื่นเขาก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเราให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเพราะฉะนั้นตัวที่ว่าใจนั่นแหะมันไม่ตายแต่ร่างกายตายแน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนเป็นเหลือแต่กระดูกแต่จิตใจคือนมามธรรมออกจากร่างนี่แหละโซเฟอร์ เมื่อออกจากรถคันนี้เราไปหาซื้อรถคันอื่นอีกนะทีไรรถใจไม่ตายไม่เป็นถัดมางั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะศึกษาศึกษาเรื่องของใจเพราะวิชาในโลกนี้มันมีเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าวิชาไหนต่อวิชาไหนแต่วิชาของพระพุทธศาสนาก็เถอะนะมีหลายชั้นมีหลายขั้นตอนมีหลายชั้นภูมิแต่ขนาดมรรคผลจริงๆก็ยังมี พระโสดาพระสกทาคาอนาคาอรหันะวิชาทางโลกเขาก็เหมือนกันนะเขาเรียนปฐมมัธยมปริยาตรีและก็ปริยาโทรปริยาเอกนะเขาก็ยังมีขั้นตอนของเขาเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันนะนะผูกมีจึดพระไตรสารณคมข ม, ข ม, ขมคือขั้นแรกจากนั้นก็ได้ภาวนาเข้าไปได้สาเร็จพระโสดาพระสกทาค า, คาพระอนาคาพระอรหัน พระหารไปว่าด็อกเตอร์นะจบบริลีบูลนะเป็นอาเสขะพวกไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบบริบูรณ์ทุกอย่างเลยเรียกว่าเป็นอาเสขะเน mm. ีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาณโยมทุกๆท่านนะได้ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจสรุปแล้วคือตายแล้วไม่ศูนย์นรกสวรรค์มีบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงเพราะน้นพวกเราประกอบคุณงามความดีได้พบพระพุทธศาสนาพบ อยู่ในปฏิโรปประเทศสวาโซจนะอยู่ในประเทศอันสมควรปุกเพจจกตะปุญญาตาพวกเราของราได้ทำบุญไว้ในอดีตชาติจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยและอัตตสมาปนิธิพวกเราให้ตั้งตนไว้ชอบตินี่ถ้าว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบอาจจะตกต่ําก็ได้เพราะฉนั้นการกล่าวออสัมโมทนันยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ขอยุติเวทเพียงเท่านี้ก่อนแล้ตอนนี้ไปพระ ส, สง์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตนีน่นแล้วก่อนที่จะรับพรก็ให้พวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพนะอุทิศสวนกุศลเพราเราตั้งอกตั้งใจมานานที่จะทําบุญในวันนี้ให้อุทิศสวนกุศลต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายบงศากนายญาติญาติมิตรสหายเจ้ากํานายเวรท้าวาดวงวิญญาณท่านเหล่านั้น ตกทุกข์ได้ยากก็ข อ, ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปถ้าวายาติโกโหติก迦ญาติพี่น้องของพวกเราถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ข อ, ขอให้เจเริญยิ่งด้วยลาบยศสารเสริญสุขกิจการงานจึงไหนก็ตามอย่าได้มีอุปสรรคในหน้าที่การงานขอให้หน้าที่การงานไหลาราบรื่นไปโดยดีด้วยบุญกุศลที่พวกเรา ได้กระทําในวันนี้นะนึกในใจอย่างนั้นขณะที่พระสงฆ์อนโมทนาให้พรรับพรในตีหน้า